221ปัจชิมะวิกับปนุปะคะจีวราธิกะถาว่าด้วยผ้าที่ต้องวิกับเป็นอย่างต่ำเป็นต้นเรื่องอธิษฐาน358ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าผ้าที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต คือไตรจีวรผ้าอาบน้ําฝนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนผ้าปิดฝีผ้าเช็ดปากหรือผ้าบริขารต้องอธิษฐานทั้งหมดหรือหรือว่าต้องวิกัพภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอธิษฐานผ้าไตรจีวรไม่ใช่ให้วิกับให้อธิษฐานผ้าอาบน้ําฝนตลอดสี่เดือนในฤดูฝนพ้นเขตนั้นให้วิกับไว้ให้อธิษฐานผ้าปูนั่งไม่ใช่ให้วิกับให้อธิษฐานผ้าปูนอนไม่ใช่ให้วิกับ ให้อธิษฐานผ้าปิดฝีตลอดเวลาที่อาพาธพ้นจากนั้นให้วิกับไว้ให้อธิษฐานผ้าเช็ดปากไม่ใช่ให้วิกับให้อธิษฐานผ้าบริขารไม่ใช่ให้วิกับ